วันนี้มีลิง ม, มาฝูงเขาอยู่บนเขานี่มาตั้งแต่ดั้งเดิ ม, มเขาก็อยู่ของเขาได้นะไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีร้านเซเว่นไม่ต้องมีเค c ซีแมคโดนัล เขาก็อยู่ได้มีความสุขได้มีครอบครัวมีลูกมีเต้าได้เหมือนกันแต่ความสุขเขาอาจจะน้อยกว่ามนุษย์ความทุกข์ก็อาจจะมากกว่าทางด้านการกินอยู่ความปลอดภัยแต่าทางจิตใจก็าอาจจะ ทุกน้อยกว่ามนุษย์ไ็ได้ mm hmm. เพราะว่าเขาไม่มีอะไรมาล่อกิเลสเขามากเหมือนกับมนุษย์มนุษย์นี่มีของล่อกิเลสของยุอย่าให้กิเลสโผล่ขึ้นมาเยอะกว่ามีข้าวมีของสินค้าต่างๆมากมายก่ายกอง ่ของต่างๆที่มีอยู่ที่มนุษย์เราผลิตกันขึ้นมานี่มันเป็นตัวยุแยกระตุ้นกิเลสตัณหาให้เกิดความอยากได้เมื่อเกิดความอยากได้ก็ต้องดินน้นรนแสวงหาต้องทำงานหาเงินหาทองกัน แข่งขันกันแก่งแย่งชิงดีกันแล้วถ้าหาไม่ได้ด้วยวิธีที่ถูกกติกาก็จะหาโดยวิธีผิดกฎกติกาฆ่าฟันกันทำร้ายกันยิ่งมีของมากก็ยิ่งแย่งแย่งกันมาก ถ้าไม่มีของก็ไม่ต้องแย่งกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหาความอยากที่ทำให้เราต้องมาแก่งแย่งชิงดีกันมามีเรื่องมีราวกัน ถ้าไม่มีกิเลส ต, ตัณหาก็จะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีไม่มีเรื่องมีราวไม่มีสงครามไม่มีความวุ่นวายปัญหาของคนและสัตว์ก็อยู่ที่ตรงความอยากนี่ พอเกิดความอยากแล้วใจมันดิ้นใจมันอยู่ไม่เป็นสุขมันต้องหาสิ่งที่อยากได้หรือทำสิ่งที่อยากทำมันจึงทำให้ใจหยุดดิ้นชั่วคราวแต่มันไม่หยุดอย่างท้าวรน เดี๋ยวพอความอยากใหม่เกิดขึ้นมาก็ทาให้ใจดิ้นขึ้นมาใหม่มันก็จะดิ้นอยู่เรื่อยๆต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรต่อให้ทำอะไรได้มากน้อยเพียงไรพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากได้อีกพอทำอะไรแล้วเดี๋ยวก็อยากจะทำอีก ก็กลับมาที่จุดเดิมคือจุดที่ใจดิ้นใจอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆได้ตอนที่ได้ทำสิ่งที่อยากทำตอนที่ได้สิ่งที่อยากได้ใจก็สงบตัวชั่วคราวเหมือนกับไฟที่เรา พยายามจะดับด้วยการเทน้ำมันลงไปกองไฟเวลาเกิดกองไฟลุกเราไม่รู้ธรรมชาติของน้ำมันเราก็คิดว่าเป็นเหมือนน้ำมีแต่น้ำมันไม่มีน้ำก็เลยใช้น้ำมันนี้เทลาดลงไปบนกองไฟเวลาเทลงไปใหม่ๆไฟก็ทาท่าจะดับ เพราะว่าน้ำมันยังไม่ร้อนยังไม่ลุกยังไม่ลุกเป็นไฟขึ้นมาแต่พอสักพักหนึ่งไฟน้ํามันเริ่มร้อนขึ้นมาไฟก็ลุกขึ้นมาแรงกว่าเก่าเราก็รีบเทน้ํามันลงไปใหม่เพื่อให้มันดับมันก็ทำท่าจะดับลงไปเดี๋ยวน้ามันก็ลุกขึ้นมาใหม่อีก นี่คือการเปรียบเทียบของใจของพวกเราที่เหมือนกับเวลามีกองไฟเวลาทุกข์ใจใจเราอยู่ไม่เป็นสุขใจเราดิ้นนี่เหมือนมีกองไฟอยู่ในใจเราเราก็เลยใช้วิธีดับกองไฟด้วยการเทน้ํามันก็คือทําตามความอยากต่างๆ พอเวลาทําความอยากแบบความทุกข์ใจที่เกิดจากการดินน้นนนนก็หยุดไปชั่วคราวทําท่าจะหายไปพอได้ทําตามความอยากแล้ว อ, อยู่เป็นสุขได้อยู่เฉยๆได้แต่อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกอก็ต้องทําตามความอยากอีก มันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดความอยากจะไม่มีวันหมดด้วยการทำตามความอยากต่างๆไฟย่อมไม่ดับถ้าเราเทน้ามันลงไปในกองไฟมันทำท่าจะดับเวลาเทลงไปใหม่ๆเวลาลงไปใหม่ๆมันเหมือนน้ำมันยังเย็นอยู่ มันทำไฟให้ที่ลุกอยู่มันดับลงไปได้ชั่วคราวเดี๋ยวพอน้ำมันที่เทลงไปมันร้อนมันก็ปะทุขึ้นมาเป็นไฟขึ้นมาใหม่แรงกับไฟเก่านี่ก็คือการแก้ปัญหาของมนุษย์ของสัตว์ทั่วไป แก้ด้วยการทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วมันต้องทำตามความอยากเท่านั้นถึงจะรู้สึกสบายใจมันก็สบายใจไปจนกว่าจะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความสบายใจก็หายไป พอไม่สบายใจก็เลยต้องไปทำตามความอยากต่ออันนี้แก้ปัญหาแบบไม่มีวันจบแก้ปัญหาแบบชั่วคราวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาที่เกิดตอนที่มันเกิดความไม่สบายใจเกิดความหุดหิบลาคาญใจเกิดความอึดอัดใจเกิดความเศร้าหมองเบื่อหน่าย ซึมเศร้า อ, อาการเรล่านี้เกิดจากความอยากนั่นเองเกิดจากความอยากแล้วยังไม่ได้ทำตามความอยากหรืออยากแล้วไม่ได้ก็ทาให้ใจงดเกลียดเศร้าหมองอจะหายก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่อยากได้ได้ทำสิ่งที่อยากทำ แตก็หายชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันตายเลยแล้วพอตายไปความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายใจกับร่างกายนี่เป็นคนสองคนเป็นเหมือนฝาแฝด แฝดสยามเคยเห็นั้ยสมัยก่อนเขาไม่มีความสามารถที่จะแยกแฝดได้เขาเรียกแฝดสยามเพราะเป็นแฝดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแฝดสยามนี่มีฝรั่งมาซื้อตัวไปไปแสดงในโรงละครสัตว์ให้คนที่ไม่เคยเห็นดู คนไปดูละครสัตว์เขาก็จะมีของสัตว์แปลกๆมาให้ดูแฝดสยามนี้ก็เป็นเหมือนกับของแปลกคนสองคนติดอยู่ที่ด้านข้างมีสองสองคนแต่แบ่งอวัยวะกันอสมัยก่อนหมอไม่มีความสามารถที่จะแยกร่างกายของแฝดได้ สมัยนี้พอมีแฝดสยามนี่เขาเขามีความสามารถหมอเขามีเครื่องไม้เครื่องมือแยกทารกที่เป็นแฝดนี่ที่ติดกันนี่ให้แยกออกจากกันได้เราจึงไม่เห็นแฝดสยามเหมือนสมัยก่อนแฝดสยามนั้นก็ต้องโตขึ้นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็อยู่กันไปจนถึงตายวันตาย พอคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็ต้องตายใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนแฝดสยามมาคู่กันตั้งแต่วันเกิดพอออกมาจากท้องแม่เราก็มีใจกับร่างกายแต่เราเห็นเพียงร่างกายเพราะว่าใจเป็นเหมือนกับมนุษย์ล่องหน ไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราเห็นเหมือนกับร่างกายแต่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจมีความอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มลส ด, ดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายใจก็สั่งให้ร่างกายไปทาอยากดูก็สั่งให้ร่างกายไปดูเช่นไปภาพไปลงภาพยนต์ไปดูคอนเสิร์ตไปฟังเพลงไปร้องลําทำเพลงไปทำอะไรต่างๆใจเป็นผู้สั่งการ ร่างกายไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรมันได้ยินอะไรมันกินอะไรมันไม่รู้ผู้ที่รู้คือใจแต่ใจไม่ได้กินเพียงแต่รู้ผู้ที่กินก็คือร่างกายแต่ใจเป็นผู้รู้ว่าร่างกายได้กินอะไร แล้วมีความรู้สึกยังไง ร, ร่างกายใจก็รู้เวลาร่างกายกินแล้วอิ่มใจร่างกายไม่รู้ว่ามันอิ่มแต่ผู้ที่รู้อิ่มก็คือใจแต่ใจไม่ได้กินนี่คือแฝดสยามที่มาคู่กันผู้ที่มา ได้นั่งกายคือใจเพราะใจเป็นผู้มีปัญหามีความอยากใจต้องมีร่างกายถึงจะสามารถทำอะไรต่างๆตามที่ใจอยากจะทำได้จึงต้องมีร่างกายพอร่างกายอันเก่าตายไป พวกเราเคยมีร่างกายมาก่อนร่างกายอันเก่ามันตายไปมันแก่เจ็บตายไปเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้รู้สึกนึกคิดก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่พอพบกับพ่อแม่คนใหม่กำลังผลิตร่างกายอันใหม่เราก็ไปขอรับร่างกายอันใหม่ เป็นอขอสมัครเป็นลูกแล้วพอร่างกายคลอออกมาอเราก็เรียกคนที่เป็นให้กําเนิดเราว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราก็จจริญเติบโตให้ร่างกายจเจริญเติบโตรอให้ร่างกายจเจริญเติบโตตอนที่ยังไม่โตก็ร้องไห้ไปเรื่อยๆ เวลาอยากได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ก็ร้องพอล้องพ่อแม่ก็มาหาวิธีว่าอยากได้อะไรพอรู้ว่าอยากได้น้ำก็หาน้ำมาให้ดื่มอยากกินข้าวก็หาข้าวมาให้กินอยากดูอะไรก็หาของเล่นมาให้ดูอยากฟังอะไรก็หาของเล่นที่มีเสียงให้ฟัง แล้วก็หยุดลองแล้วพอเราโตขึ้นมาพอเราเริ่มสามารถหาอะไรตามที่เราอยากได้เราก็หาเองไม่ต้องไปขอพ่อแม่ถ้ายังไม่มีความสามารถที่จะหาเองก็ต้องขอพ่อแม่ก่อนอยากได้รองเท้าอยากได้เสื้อผ้าอยากได้ของเล่นอยากได้ขนมอยากได้อะไร อันนี้ก็เป็นความอยากนะเราก็ใช้ร่างกายสื่อกับพ่อแม่บอกพ่อแม่ผ่านทางร่างกายว่าขอนั่นนะขอนี่นะใจเป็นผู้ใช้ร่างกายพูดใจคิดขึ้นมาอยากจะได้ขนมก็สั่งให้ร่างกายพูดบอกพ่อแม่ว่าอยากจะได้ขนมอยากจะได้ อะไรต่างๆอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนก็บอกพ่อแม่อันนี้ใจเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนรับคำสั่งใจต้องมีร่างกายถึงสามารถที่จะเอาอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้อยากจะดูนี่ก็ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายมีตาให้ดูสิ่งต่างๆ อยากจะฟังก็ต้องมีร่างกายร่างกายมีหูอยากจะลิ้มรสก็ต้องมีร่างกายร่างกายมีลิ้นอยากจะดมกลิ่นก็ต้องมีร่างกายร่างกายมีจมูกอยากจะสัมผัสกับของแข็งของนุ่มของร้อนของเย็นก็ต้องมีร่างกายนี่คือทาไมเราจึงมาเกิดกัน ทำไมเราจึงต้องมีร่างกายก็เพราะว่าเมื่อมีร่างกายแล้วเราก็จะได้หาความสุขได้เพราะใจเรามีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองอต่อให้เราได้ร่างกายมากี่ร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปหมดอพอเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอแก่เจ็บตายเราก็ทุกข์กันเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะความแก่ความเจ็บความตายทําให้เราไม่สามารถทําตามความอยากได้อยากจะได้อะไรพอเวลาแก่แล้วมันได้มันทําลําบากอวินเต้นไม่ได้แล้วร่นางกายแก่ไม่มีกําลังวางชา จะไปกระโดดลุนเต้นเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวนี่ทำไม่ได้ทำไม่ไหวเราจึงใจจึงไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายความไม่ชอบก็เลยทำให้ใจเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพอเกิดความอยากแล้วไม่สามารถทำตามความอยากได้ทีนี้ก็ มีความทุกข์เลยเมื่อก่อนอยากได้อะไรก็ยังหามาได้พอหามาได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปแต่พอมาเจอความแก่นี่อยากไม่แก่นี่ทําไม่ได้แล้วทําให้มันไม่แก่ไม่ได้แต่ก็พยายามไม่ใช่ไม่ทําเนะเดี๋ยวนี้มีวิธีทําให้ไม่แก่กันเยอะแยะเห็นไหมไปย้อมผมย้อมผ้าไปดึงหนงังดึงหนังเอ หนังมันเหี่ยวมันย่นหนังมันตกกะก็มีวิธีฟอกหนังกันทำอะไรต่างๆเพื่อให้มันไม่แก่มันก็มันก็ดึงเวลาแก่ให้ช้าลงไปได้แต่ต่อไปมันก็หยุดมันไม่ได้อยู่ดีในที่สุดมันก็ต้องแก่แก่ เมื่อแก่แล้วเมื่อรู้ว่าทําอะไรไม่ได้ก็ท่องทาใจยอมยอมแก่ไปยอมรับความแก่ไปถ้ายอมรับความแก่ก็จะไม่ทุกข์ก็พอก็อยู่กับความแก่ไปได้พอมาเจอความเจ็บก็เหมือนกันอยากให้ความเจ็บหายอยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายมันไม่หายก็ทุกข์อีกฮ ทุกข์เพิ่มอยากก็ไม่ได้ดังใจอยากนั้นเองก็ เ, งเลยทุกข์แล้วยิ่งความตายนี่อยากจะไม่ตายมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เมื่อรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้ว่าหมอรักษาไม่ได้ใจก็จะทุกข์มากเพราะอยากไม่ตายมันก็ไม่ได้ดังใจอยากอแต่พอตายไปเอ ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็แยกออกจากกันแฝดสยามคือร่างกายกับใจนี้จะแยกกันตอนตายมารวมกันตอนเกิดตอนที่พอตอนที่แม่ตั้งคันพอแม่ตั้งคันใจก็มารวมกับร่างกายที่อยู่ในคันเ้วก็อยู่ติดกันเป็นแฝดสยามแต่เรามองเห็นเพียงครึ่งเดียว เราเห็นร่างกายแต่เราไม่เห็นใจตัวที่รู้สึกนึกคิดนี่เราไม่เห็นเราก็เลยไปหมาว่ามันเป็นส่วนเดียวกับร่างกายเราก็เลยคิดว่าร่างกายแก่ใจก็แก่ไปด้วยร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วยร่างกายตายใจก็ตายไปด้วยแต่ความจริงร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไป ร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บเจ็บคือคนเดียวจะเจ็บที่ร่างกายแก่ที่ร่างกายตายที่ร่างกายใจไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจไม่มีร่างกายเหมือนร่างเหมือนร่างกายนั่นเองอใจเป็นมนุษย์ล่องหนมีเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดที่หลงไปกับ ที่ไปลงรู้สึกนึกคิดไปกับร่างกายแล้วคิดว่าเป็นร่างกายไปก็เลยทุกไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ถ้าเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ถ้าเร า, ารู้ว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันนี้เราจะไม่ทุกข์กับร่างกายได้เหมือนกับเรารู้เรากับคนอื่นว่า เป็นคนละคนกันคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายนี่เขาเราไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ไปมีความคิดว่าเขาเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าใครมาเป็นของเราเมาื่อไหร่เราก็เริ่มทุกข์กับเขาแล้วพอเราใครมาเป็นแฟนเรานี่พอเขาเป็นอะไรเราก็ทุกข์กับเขาได้ ทุกเพราะว่าเราไปถือว่าเขาเป็นของเราพออะไรเป็นของเราเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปเพราะการที่เรามีเขาเพราะเราต้องการใช้เขาให้ความสุขกับเรานั่นเองเราได้อะไรมาเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆไม่ให้มันเป็นอะไรเพราะถ้าเป็นอะไรมันก็ไม่สามารถ ให้ความสุขกับเราได้ของทุกอย่างที่เราหามานี่หามาเพื่ออะไรหามาเพื่อให้ความสุขกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันเป็นของเราปั๊บเนี่เราก็เลยอยากให้เขาเป็นของเราไปเรื่อยๆอยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่พอเขาเป็นอะไรอขึ้นมาเราก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีทุกข์ขึ้นมาทันที คนที่เอามาคนที่มาเป็นแฟนเรานี่เราทุกข์กับเขาขึ้นมาทันทีเวลาเขาไม่สบายเวลาเขาเป็นอะไรแต่คนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนเราเขาเป็นอะไรเขาไม่สบายเราก็ไม่ทุกข์หรือคนที่เป็นแฟนเราพอเขาเลิกกับเราแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับเขาอีกแล้วเพราะเราไม่ถือว่าเขาเป็นของเราแล้วเี่ย <c oughs> ปัญหาของใจก็คือไปถือ ของต่างๆว่าเป็นของเราถือว่าเป็นของเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันไม่เสียแต่ของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นข้าวของมันต้องเสียเพราะว่ามันนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ของมันดีตอนตอน้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องเสียตอนลาย มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนะมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก้าวของที่เราได้มาตอนต้นเป็นของใหม่ก็ดีไปหมดพอใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวก็เสียเป็นของเก่าเแม้รถยนต์เราต้องเปลี่ยนเมนะื่อยใช้ไปตอนต้นออกมาจากอ้นี่ใช้ได้ดีทุกอย่าง พอใช้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเริ่มเสียเลยยางแตกบ้างช า, าร์จไม่ติดบ้างแบตเตอรี่ไม่มีบ้างเริ่มเสียแล้วต้องซ่อมนะพอซ่อมบ่อยๆเราก็เบื่อมันเคยให้ความสุขเดี๋ยวนี้มันกลับให้ความทุกข์กับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมันดีกว่าขายคันเก่าซื้อคันใหม่ ร่างกายเราก็เหมือนรถเหมือนกันเวลาเกิดมาตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันไม่ค่อยมีปัญหามีกำลังวังชาอยากจะทำอะไรทำได้ทุกอย่างแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยชรามันเร่น ม, มีโรคภัยไข้เจ็บกำลังวังชาเริ่มอ่อนลงน้อยลง ไปกระโดโดต้นเต้นเหมือนกับตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทําไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องทนเพราะเปลี่ยนไม่ได้เหมือนรถยนต์เปลี่ยนได้แต่ชิ้นส่วนถ้ามีไตเสียถ้ามีคนบริจาคไตก็เปลี่ยนไตได้มีปอดเสียอย่างนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนปอดเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมันก็เสีย อ, อีก เหมือนนอตยน์เนี่เปลี่ยนแบบกี่แบบเดี๋ยวแบตมันก็เสียอีกเปลี่ยนไดชาร์จกี่ตัวเดี๋ยวมันก็เสียอีกของมันต้องมีการชำรุดทุดโทรมไปเป็นธรรมดาแต่เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆกับร่างกายถ้าเราไม่ไปถือว่ามันเป็นของเราถ้าเราไม่ไปพึ่งมัน ที่เราไปถือว่าเป็นของเราเพราะเราต้องการใช้มันให้ความสุขกับเรานั่นเองเราถึงเอามาเป็นของเราพอเป็นของเราเราก็สั่งมันอะให้ความสุขเราหน่อยสิมันก็ให้เราอยากให้มันอทําอะไรมันก็ทําให้เราอมันก็ทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ เราก็ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นของเราก็ได้ถ้าเราไม่มีอะไรมาเป็นของเราเราก็สบายสบายใจเพราะเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับของที่เป็นของเราเราจะทุกข์แต่เฉพาะกับของที่เป็นของเราเท่านั้นน่ะของที่ไม่เป็นของเราเราไม่ทุกข์หรอกใช่ั้มแฟนที่นท ค, คนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเราเราทุกข์ไหมเขาจะเป็นอะไรเราทุกข์ก็่างไม่ทุกข์ เข <S an> าจะกินเหล้าเมายาเราก็ไม่ทุกข์เขาจะไปเที่ยวผู้หญิง <S an> ไปเที่ยวผู้ชายเราก็ไม่ทุกข <S an> ์แต่พอเข้ามาเป็นแฟนเราขึ้นมานี่ทุกข์หมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากไม่ให้เขาทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำนั่นเองหรือเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาเป็นไม่อยากให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย <S an> ไม่อยากให้เขาพิกลพิการ อันนี้คือความทุกข์ของเราความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่เราเราเลยทุกข์เพราะเขาบางทีเขาไม่สามารถทำตามที่เราอยากได้เขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ก็เลยทำให้เราทุกข์กัน ถ้าเราสามารถอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์ถ้าอยู่แบบไม่มีแฟนได้เราก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนถ้าอยู่กับไม่มีอะไรได้มีให้น้อยที่สุดถ้าไม่มีร่างกายได้ยิ่งดีถ้าอยู่แบบไม่มีร่างกายได้เราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกาย ทุกวันนี้เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราต้องมีร่างกายไว้หาความสุขนั่นเองไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเราจะทำยังไงเราถึงอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายอยู่แบบไม่มีแฟนอยู่แบบไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเราก็ต้องหาความสุขแบบใหม่นั่นเองอในโลกนี้ ในชีวิตของเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยเราสามารถหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งได้ความสุขแบบที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือฮะให้ความสุขกับเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีอะไรต่างๆความสุขแบบใหม่นี้ เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นผู้ค้นพบค้นพบวิธีอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีข้าวของอะไรต่างๆสิ่งของต่างๆไม่ต้องมีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราก็คือการมีความสุขจากการทำใจของเราให้สงบนี่เอง ทำใจเราให้นิ่งให้สงบใจเราตอนนี้เหมือนรถยนต์ที่ไม่มีเบรกมีก็เบรกแตกเบรกไม่ค่อยดีหยุดก็หยุดไม่ได้นาะนหยุดได้ปับ๊บเดี๋ยวก็เว่งอีกแล้วใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาพอคิดก็คิดไปคิดไปคิดไปสร้างความอยากขึ้นมาคิดถึงแฟนก็อยากเจอแฟนคิดถึงขนมก็อยากกินขนม คิดถึงภา พ, พยนตร์ก็อยากจะดูภา พ, พยนตร์คิดถึงเพลงก็อยากจะฟังเพลงคิดถึงกระเป๋ารองเท้าก็อยากจะไปซื้อคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปท่องเที่ยวความคิดของเรามันจะผลิตความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากมันก็อยู่ไม่ความอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว ตอนที่ยังไม่ได้คิดถึงอะไรอยู่เฉยๆได้พอคิดถึงสิ่งที่อยากได้ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องไปทำตามความอยากถึงจะอยู่เฉยๆได้แต่อยู่เฉยๆได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คิดใหม่อีกละ่ะเดี๋ยวก็คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้ขึ้นมาอีกละ้ะก็อยู่เฉยๆไม่ได้อีกละ่ะก็ต้องไปหามาอีกนะ แต่ถ้าเรามาหัดหยุดความคิดได้มาสร้างเบรกที่จะหยุดความคิดนะถ้าเรามีเบรกเหมือนรถยนต์เราก็สามารถหยุดรถยนต์ได้หยุดความคิดได้รถยนต์ที่เราหยุดกันได้เพราะอะไรเพราะเรามีเบรกใช่ไหมถ้าไม่มีเบรกนี่วิ่งลงเขานี่มันก็มีแต่แหกโค้งอือไปชนกับต้นไม้หรือชนกับอะไรสักอย่างมันถึงจะหยุด ใจเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขาถ้าไม่มีเบรกมันก็จะหยุดไม่ได้ใจเราส่วนใหญ่ไม่มีเบรกที่จะหยุดความคิดกันหยุดก็หยุดได้แป๊บเดียวถ้าเกิดคิดไปในทางที่ไม่ดีก็หยุดมัน อ, อย่าคิดอย่างนี้คิดจะไปขโมยเงินของคนอื่นก็ อ, อย่าเอานีกว่ า, อ ย, าอย่าคิดแบบนี้ดีกว่ า, าก็หยุดได้บางความคิด แต่จะให้หยุดทุกความคิดนี่หยุดไม่ได้ความคิดไม่ดีบางอย่างก็หยุดไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าทำไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาบางทีก็หยุดไม่ได้แต่คิดว่าทำไปแล้วถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นปัญหาก็ต้องทำแบบแอบๆบแบบซ่อนๆ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาของใจเรา เราไม่สามารถเข้าถึงความสุขในรูปแบบใหม่ได้ถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้เพราะถ้าเราไม่หยุดความคิดเราก็จะหยุดความอยากเป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากได้ พอเราหยุดความวุ่นวายใจหยุดความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากได้ความสุขใจก็โผล่ขึ้นมาแทนที่นี่คือความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่ไม่ต้องทำตามความอยากความสุขที่ต้องหยุดความอยากความสุขที่เกิดจากการได้หยุดความอยากหยุดความคิดแต่มันเป็นความสุขที่เข้าถึงยาก ถึงแม้ว่าทิศตามหลักการปฏิบัติมันง่ายก็ให้หยุดความคิดแค่นั้นเองมันจะยากตรงไหนหยุดความคิดหยุดความอยากเท่านี้ก็จบอยากไปอยากอยากแล้วก็อย่าไปทําตามมันให้มันดิ้นตายไปให้มันรู้ไปว่ามันจะตายให้มันปล่อยให้มันดิ้นไปจนกลางมันจะหมดแรงพอหมดแรงแล้วมันก็สงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิด ความทุกข์ก็จะหายไปนนี่คือการหาความสุขแบบใหม่คือการมาหยุดความคิดหยุดความอยากกันถ้าเราสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ความสุขเมื่อเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำตามความอยาก เราก็ไม่ต้องมีอะไรดูพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรเมื่อก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่ท่านจะบวชนี่ท่านมีอะไรเยอะกว่าพวกเราอีกพวกเรามีบ้านหลังหนึ่งท่านมีต้องสามหลังมีปราสาทต้องสามหลังปราสาทสามฤดูเอเรามีอาจจะมีคนใช้คนสองคนนี่ท่านมีคนใช้เป็นร้อยคอยรับใช้ เรามีเงินมีทอง อ, อยู่บ้างแต่ท่านมีมากกว่าเราเป็นสิบเท่าร้อยเท่าแต่ท่านก็ทิ้งมันหมดเพราะท่านสามารถหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่ทำตามความอยากได้ท่านก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรเหมือนตอนที่ท่านยัง หยุดความอยากไม่ได้สาเหตุที่ทำให้ท่านต้องไปหาความสุขแบบใหม่ก็เพราะท่านเห็นว่าความสุขที่ท่านหาอยู่นี่เป็นความสุขแบบผสมกับความทุกข์นั่นเองเพราะว่าต่อไปท่านเห็นร่างกายของท่านจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อให้มีสมบัติมากน้อยเพียงไรเวลาแก่ก็ใช้มันไม่ได้ เวลาเจ็บก็ใช้มันไม่ได้เวลาตายก็ใช้มันไม่ได้ไม่สามารถเอาสมบัติเข้าของเงินทองมาให้ความสุขกับจะกับใจได้เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายท่านก็เลยเห็นพวกนักบวชเห็นว่าเขาไปหาความสุขแบบใหม่กันหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ต้องใช้ร่างกายเพียงแต่ไปหยุดความคิดการจะหยุดความคิดก็ต้องไปอยู่คนเดียวเพราะอยู่กับคนอื่นก็ต้องคิดเพราะเดี๋ยวเขาก็ชวนเราคิดชวนเราพูดชวนเราทำถ้าเราไม่คิดไม่พูดเดี๋ยวเก็จะหาว่าเราบ้าเราก็เลยต้องหนีไปอยู่ที่ที่ไม่มีคนที่คิดว่าเราบ้าไม่มีคนมาคอย ชวนให้เราคิดชวนให้เราทำอะไรต่างๆคนที่ต้องการหยุดความคิดจึงต้องไปบวชกันถึงจะสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้อย่างเต็มที่ถ้ายัางอยู่กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาก็ชวนเรากินข้าวเย็นไหมชวนเราดูหนังไหมชวนเราร่วมหลับนอนกันไหมอันนี้พอเราไม่ทำเดี๋ยวเขาก็ไม่พอใจเราอีก เดี๋วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีนคนที่อยากจะาหาความสุขแบบใหม่จึงต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีอะไรมาคอยกวนใจมาคอยยุยงให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยต้องไปเรียกว่าเขาเรียกว่าไปปรีกวิเวกไปหาที่สงบซะ ที่ที่ไม่มีอะไรมายุให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่ใกล้กับคนอยู่ใกล้กับสิ่งต่างๆเดี๋ยวเห็นปั๊บมันก็อดคิดไม่ได้เห็นขนมก็อดคิดอยากจะกินไม่ได้เห็นอะไรก็อยากขึ้นมาเลยต้องไปอยู่ในป่าในเขาเพราะในป่าในเขาเห็นอะไรมันไม่ได้ทำให้เกิดความอยากเพราะเราไม่เคยมีความอยากกับสิ่งที่มีอยู่ในป่าในเขานั่นเอง เราไม่เคยอยู่ในป่าในเขาเราพอไปอยู่ในป่าในเขาเราเลยไม่รู้ใจประยากกับอะไรต้นไม้ต้นนี้ต้นนั้นก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมันดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนอยู่ในบ้านในเมืองเห็นข้าวเห็นของก็จะรู้ว่าของชิ้นนี้ดีกว่าของชิ้นนั้นหรือไม่อย่างไรนี่ก็คือความความจำเป็น สำหรับผู้ที่ต้องการหยุดความคิดหยุดความอยากต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมาปลุกความคิดปลุกความอยากอยู่ในป่าในเขานี้จะไม่มีอะไรมาปลุกความคิดปลุกความอยากนอกจากกิเลสที่มิยังมีอยู่ในใจเท่านั้นเองถึงแม้อยู่ในป่าในเขาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาปลุกความอยากแต่ใจก็ยังมีความจําถึงรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ มันก็ยาวความจำนี่มาปลุกความอยากเคยมีแฟนก็จะคิดถึงแฟนขึ้นมาเคยกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็จะคิดถึงอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาอันนี้ต้องใช้เบรกของใจมาหยุดมันไปอยู่ในป่าในเขาไม่มีของภายนอกมาปลุกระดมให้เกิดความอยากแล้วแต่ในใจมันยังมีความจำของกับเรื่องเก่าๆอยู่ กับความสุขเก่าๆอยู่มันก็จะมาปลุกระดมให้เราเกิดความอยากขึ้นมาได้ยังนอกจากการที่เราไปอยู่คนเดียวในป่าในเขาแล้วเรายังต้องมีตัวที่มาคอยหยุดความจำด้วยหยุดความนึกคิดต่างๆนึกถึงขนมนึกถึงพิซซ่านึกถึงภาพยนตร์นึกถึงแฟนนึกถึงอะไรต่างๆถ้าเราหยุดมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็สร้างความอยาก ให้เราขึ้นมาพอมันอยากมากมมันก็จะทุกข์มากมากเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวมันก็กลับไปหาแฟนหาบ้านหาขนมหาอะไรต่างๆเมื่อเย่นคนบางคนมาบวชอยู่ได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวพอไม่มีสติไม่มีความสามารถที่จะควบคุมความคิดความจำของกับเรื่องอดีตต่างๆได้เดี๋ยวก็ถูกความอยากมันกระตุ้นให สึกออกไปกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านเมืองกลับไปหาสิ่งต่างๆที่เคยเคยทิ้งมาเพราะตอนที่อยู่มันเบื่อเพราะเห็นว่ามันทุกข์แต่พอตอนทิ้งมันไปแล้วมันกลับลืมว่ามันทุกข์มันกลับไปคิดว่ามันเป็นสุขอย่างเดียวมีขนมกินแล้วจะสุขมีแฟนแล้วจะมีความสุขมีสิ่ ง, งนั้นสิ่งนี้ทำแล้วจะมีความสุข อยู่คนเดียวอยู่เฉยๆแล้วไม่มีความสุขเลยทนไม่ไหวกับความอยากบางคนมาบวชได้ไม่นานก็ต้องกลับไปใหม่แต่ใครที่อยู่ได้ถ้ามีใครมีความสามารถที่จะควบคุมความคิดได้ก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เกิดความอยากให้กลับไปหาความอยากต่างๆกับสิ่งต่างๆที่เคยเที่เคยมีเคยอยู่ ก็ได้อันนี้ต้องนอกจากไปอยู่คนเดียวแล้วอต้องพยายามควบคุมความคิดความจําต่างๆเกี่ยวกับอดีตความจําเกี่ยวกับอดีตที่แสนหวานแสนน่าเลิศอร่อยแสนสุขเนี่ยต้องหยุดมันเพราะมันจะหลอกให้เราอยากจะกลับไปเพราะมันจะจําแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีมันจําไม่ได้เนี่ยมัน มันไม่จำถึงเรื่องที่ก่อความทุกข์จากสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี่มันให้ทั้งความสุขกับเราและให้ความทุกข์กับเราแต่เวลาเราไปคิดถึงมันย้อนหลังนี่เราจะคิดแต่ความสุขเราจะไม่คิดถึงความทุกข์เท่าไหร่เราจึงมักไม่เข็ดกันหรือ ไ, ไม่จดไม่จำกันทุกเดียวเดียวทุกกับเรื่องนี้เดียวเดียวเดียว พอทิ้งไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็อยากได้เรื่องนั้นอีกเพราะลืมว่ามันให้ความทุกข์กับเรากลับไปคิดถึงตอนที่มันให้ความสุ ข, ขกับเราเนี่ยความจากของเรามันจะหลอกให้เราคิดแต่เรื่องที่เป็นสุขเรื่องที่เป็นทุกข์นี่มันจะไม่ให้เราคิดถึงลืมไปหมดเราก็เลยไปเจอประวัติศาสตร์ซ้ารอยอยู่เรย กลับไปหาเรื่องเก่าแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอความทุกข์เก่าโผล่ขึ้นมาต่อไปกลับไปมีแฟนใหม่เดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่ตอนมีแฟนตอนนี้ทุกข์กับแฟนคนนี้ก็เลยเลิกกับแฟนคนนี้พอเลิกกับแฟนคนนี้ไปสปักพักอยู่คนเดียวไปสักพักเดี๋ยวเหงาอีกแล้วก็คิดอยากจะมีแฟนขึ้นมาใหม่คิดว่ามีแฟนใหม่แล้วจะมีความสุขอีกแต่ไม่คิดว่าจะมีความทุกข์เหมือนกับแฟนเก่ า, าก็กลับไปมีแฟนใหม่อ พอไป ม, มีแฟนใหม่เดียวเดียวเดี๋ยวก็จ้องเจอความทุกข์จากแฟนใหม่อีกเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะ ก, กับแฟนเดี๋ยวก็มีเรื่องกับแฟนอันนี้เราคิดไม่รอบคอบคิดเพียงครึ่งเดียวเวลาเราเหงาเวลาเรายะเศร้าเวลาเราอยู่คนเดียวนี่มันจะคิดหาแต่สิ่งต่างๆมาแก้ความเหงาแก้ความเศร้าเราก็จะเห็นแต่ส่วนที่ดีของสิ่งต่างๆที่เราเอามา ใช้แก้ความเศร้าแต่เราไม่คิดถึงส่วนที่ไม่ดีเราจะคิดแต่ส่วนที่เป็นสุขตอนที่มันเป็นสุขแต่เราจะไม่คิดถึงตอนที่มันเป็นทุกข์ถ้าเราคิดถึงตอนที่เป็นทุกข์ได้ก็ดีสิเราก็บอกไม่เอาเดี๋ยวกาเดี๋ยวทุกข์อีกเดี๋ยวก็เป็นประวัติศาศสตร์ซ้ำลอยอีกแต่เรามักจะลืมความทุกข์กันคิดแต่ความสุขกันคิดถึงแต่ความสุขกัน ้พอไปเอาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวความทุกข์ก็มาตามมาต่อไปอ น, นี่คือผู้ที่ต้องการไปหาความสุขในรูปแบบใหม่นี้จึงต้องมีความสามารถที่จะหยุดความคิดหยุดความจำถึงอดีตที่แสนหวานถ้ามันจะจำให้มันสวให้มันจำถึงอดีตที่แสนทุกข์ด้วย เรื่องเดียวกันคนเดียวกันที่ให้ความสุขกับเราก็ให้ความทุกข์กับเราด้วยเหมือนกันแต่เรามองเพียงขึ้นเดียวเราไม่มองทั้งสองด้านเราจึงต้องบังคับสอนใจเราให้คิดไปในทางทางที่เราไม่คิดคือต้องเห็นว่าสิ่งต่ตางๆที่เราคิดว่าเคยให้ความสุขกับเราเขาก็เคยให้ความทุกข์กับเรา นึกสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ก็อย่าไปคิดว่าเขาจะให้แต่ความสุขเราเพียงอย่างเดียวเขาจะต้องให้ความทุกข์กับเราด้วยเพราะเขาก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันเสียเหมือนรถยนต์คันใหม่ เ, เดี๋ยวใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเก่าเก่าแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเสียก็ต้องซ่อมเอก็ต้องปวดหัวแทนที่จะขับรถไปไหนมาไหนได้ก็ต้องไปจอดรถอยู่ที่อู่รอให้เขาซ่อม เราต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านความจริงมันมีสองด้านแต่ความหลงเรามันจะหลอกให้เรามองเห็นเพียงด้านเดียวให้เราเห็นด้านที่เป็นสุขให้เราเห็นด้านที่ดีแต่เราจะไม่เห็นด้านที่ไม่ดีด้านที่เป็นทุกข์จะเห็นก็ต่อเมื่อเราไปได้มันมาแล้วพอได้มันมาใช้มันไปสักพักอยู่กับมันไปสักพักเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียแล้ว นี่คืออ น, นิจจังเราไม่มองอ น, นิจจังอ น, นิจจังก็คือมันต้องเปลี่ยนแปลงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมนมีเกิดก็ต้องมีดับถ้าไม่เห็นอ น, นิจจังก็ไปงานศพ บ, บ่อยๆไปงานเผาศพ บ, บ่อยๆนี่จะเห็นอ น, นิจจังเห็นคนร้องห่มร้องไห้จะได้เห็นทุกขังว่าเป็นยังไงก็เพราะว่าไปชอบไปเอาสิ่งที่เป็นอ น, นิจจังคือร่างกาย ร่างกายของแฟนร่างกายของคนนั่นคนนี้ร่างกายของพ่อของแม่มาเกิดเราก็ต้องมีพ่อมีแม่พ อ, อมีพ่อมีแม่เราก็ยึดติดกับพ่อกับแม่อยากให้พ่อกับแม่ไม่ตายพ อ, อถึงเวลาที่พ่อแม่ตายเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันออนี่ให้คิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรต้องคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องจบแบบนี้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีวันสิ้นสุด เ, ออเหมือนความตายออข้าวของมันก็ตายเพียงแต่ว่ามันไม่ตายแบบคนเช่นโทรศัพท์ใช้ไปเดี๋ยวก็เสียกดไม่ติดนะออมันก็เหมือนกับมันตายเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทุกข์มากเหมือนกับเราเสียคนที่เรารักไป เ, ออเพราะเรารักมันน้อยกว่าสิ่งที่เราคนที่เรารักนั่นเองแล้วเราก็รู้ว่า ของที่เสียเราเปลี่ยนได้หาใหม่ได้ง่ายแต่คนที่เรารักนี่หายากกว่าเราเลยทุกมากกว่าความเสียดายมีมากกว่าความทุกข์ก็เลยมากกว่านี่ก็คือวิธีที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขแบบใหม่เราต้องมาหยุดความคิดแล้วก็ถ้ามันจะคิดถึงอดีตการมันคิดถึงอดีตที่แสนทุกข์ อย่าไปคิดถึงอดีตที่แสนสุขมันมีสุขด้วยมันมีทุกข์ด้วยหรือสิ่งที่เราอยากได้หรือคนที่เราอยากได้หรืออะไรที่เราอยากทำ <S <S ก็ให้คิดว่ามันไม่สุขอย่างเดียวนะมันมีทุกข์ตามมาทุกข์ตอนที่เราไม่สามารถทำตามที่เราอยากจะทำได้ตอนที่เราอยากทำได้แล้วได้ทำมันก็สุขแต่ต่อไปถ้าเกิดมันเสียขึ้นมามันก็ทาไม่ได้ มีรถก็มีความสุขอยากจะไปไหนก็ไปได้เดี๋ยวพอรถเสียขึ้นมาก็ไปไม่ได้นะต้องคิดอย่างนี้มันถึงจะสามารถที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆได้พอเราหยุดความคิดหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆได้ใจเราก็จะหายทุกข์แล้วก็จะเหลือแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียว เราก็สามารถอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้อยู่โดยที่ไม่ต้องอมีอะไรได้ออพอพระพุทธเจา้าสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดพระพุทธเจา้าก็อยู่ในป่าต่อไป อ, อยู่กับสมบัติแปดชิ้นมีอยู่กับบาทใบหนึ่งไว้สำหรับหาอาหารอยู่กับจีวรผ้าไต่หนึ่งชุดไว้สำหรับเป็นเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็มี มีดโกนไว้สําหรับปงผมมีเข็มกลัดได้ไว้สําหรับปะเย็บจีวรแล้วก็มีที่กรองน้ําอันหนึง่งไว้สําหรับตักน้ําในลําธารลาห้วยที่มีตัวสัตว์ต้องใช้ที่กรองน้ําตักจะได้ไม่ได้ตักตัวสัตว์ขึ้นมาสมัยก่อนไม่มีน้ําประปาไม่มีน้ําขวดนจะ ต, ต้องดื่มน้ําตามลําห้วยลาําธารก็เลยต้องใช้ที่ตักที่มี ที่กองไม่จะได้ไม่ได้ตักตัวลุกน้าขึ้นมาด้วยก็มีสมบัติแค่นี้สำหรับคนที่สามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้แล้วสามารถทำให้ความอยากนี้หายไปหมดก็เลยไม่มีจาไม่มีความจำเป็นจะต้องมีอะไรและไม่อยากจะมีอะไรมีอะไรก็เป็นภาระขึ้นมาทันทีต้องคอยดูแลรักษา จึงมีเท่าที่จําเป็นซึ่งความจริงมีก็มีไปอย่างนั้นน่ะมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่ร่างกายนี้ก็ไม่ได้ต้องการมันอีกแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนสำหรับพระพุทธเจ้านะสำหรับผู้ที่สามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้แล้วแม้แต่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อมันยังอยู่ก็เลี้ยงดูมันไปตามอัตภาพเพราะยัง เอาร่างกายมาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้คือมีร่างกายก็สามารถเอาธรรมะมาสอนคนอื่นได้นั่นเองที่พระพุทธเจ้ายังอยู่อีก45ปีหลังจากที่ได้ทรงตัดจัลโลแล้วก็เพราะความเมตตาสงสารพวกเรานี่เองที่ยังไม่สามารถหาความสุขในรูปแบบใหม่ได้ ยังต้องหาความสุขจากการมีร่างกายมีสิ่งต่างๆแล้วก็มาทุกมาล่องห่มล่องไห้กับการสูญเสียร่างกายสูญเสียสิ่งต่างๆไปท่านก็เคยประสบมาแล้วท่านเห็นความทุกข์ที่พวกเรามีกันท่านก็อยากจะมาช่วยให้พวกเราปลดเปื้อความทุกข์เหล่านี้ท่านก็เลยใช้ร่างกายอันนี้มาสอนธรรมะแก่พวกเรา ตอนให้เรารู้จักวิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่ให้เราเลิกหาความสุขในรูปแบบเก่าแล้วเราจะได้พ้นทุกข์กันหมดทุกข์เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไป mm hmm. พระพุทธเจ้าเลยยังต้องมีบาตรไว้สําหรับบิณฑบาตหาอาหารมีจีวรไว้สําหรับนุ่งห่มเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย แต่มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เสียดายถ้ามันหายไปถ้าร่างกายจะเป็นอะไรจะตายไปก็ไม่เสียดายไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้อาศัยมันแล้วที่มีอยู่ที่ที่เห็นว่ามันมีอยู่ก็เห็นว่ามันยังเป็นของใช้ประโยชน์ได้ก็รักษามันไปตามอัตภาพถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่ท่านจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย ไม่เดือดร้อนกับทรัพย์อัฐบริขารแปดไม่เดือดร้อนกับบาจีวอนมันจะมีหรือไม่มีไม่เดือดร้อนมีกม็มีก็ใช้มันไปไม่มีถ้าหาใหม่ได้ก็หาหาไม่ได้ก็ไม่ต้องกินถ้าไม่กินมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจของมุทธเจ้านี้ไม่มีความผูกพันกับอะไรอีกแล้ว แต่ที่ยังมียังดูแลร่างกายอยู่เพราะความเมตตาสงสารสัตว์โลกที่โง่ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์เพราะยังไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขอยู่นั่นเองพระองก็เลยต้องมาสอนพวกเราให้เราปล่อยปละละเลิกการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญการหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสการหาความสุข จากการมีร่างกายเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาไดา้มันจะต้องเสื่อมไปหมดไปจะต้องมีการพัดภาาจากกันเวลาพัดภาาจากกันก็ทุกเวลาอยู่ด้วยกันก็ทุกทุกเพราะความกังวลเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องจากกันแต่ไม่อยากให้จากกันก็เลยทุก เวลาไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันปั๊บนี่ก็กังวลละไอ้หายไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่าไปทุระข้างนอกกลับมาช้าหน่อยก็กังวลละอทุกข์ลวอันนี้คือปัญหาของพวกเราที่ไปหาความสุขกับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้พวกเรายุติการหาความสุขที่เป็นทุกข์แล้วมาหาความสุขที่เป็นสุขก็คือการมาควบคุมความคิดควบคุมความอยาก ถ้าเราควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดโดยไม่ต้องมีอะไรมามาทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์เราใช้ของที่มีอยู่ในตัวเราคือสติปัญญานี้เองสติก็คือตัวหยุดความคิดปัญญาก็คือตัวสอนใจให้ให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั่นเอง นี่คือเรื่องของของการเป็นมนุษย์เป็นสัตว์พวกเราโชคดีเป็นมนุษย์เราสามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พวกสัตว์พวกลิงมันโชคร้ายมันไม่มีโอกาสถึงแม้จะอยู่กับศาสนาะแต่มันก็ไม่สามารถนับประโยชน์จากศาสนาได้เพราะมันไม่พูดฟังภาษาไม่รู้เรื่องนั่นเอง แต่เมื่อฟังรู้เรื่องมันอาจจะไม่สนใจก็ได้มันอยากจะหากล้วยของมันกินตามภาษาของมันเพียงอย่างเดียวเหมือนคนเหมือนมนุษย์ที่เจอพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่สนใจก็มีเยอะแยะเพราะอยากจะห า, าลาภยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่เชื่อว่าความสุขที่พระเจ้าสอนให้หานี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ดีเลิศก็ไม่เข้าหาศาสนาก็มีอยู่เยอะแยะไป พวกเราที่เข้าหาศาสนานี่ถือว่าเป็นพวกที่ฉลาดหรือพวกที่มีโชคกแล้วกันมีความเชื่อมีศรัทธาแต่ยังอาจจะไม่ฉลาดถึงขั้นที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ก็ต้องพยายามศึกษาเพิ่มเติมและปฏิบัติทาให้ได้แล้วต่อไปเราก็จะได้หมดทุกหมดภัยจะอยู่อย่างสุขแบบพระพุทธเจ้าไปตลอด การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังิปปเมวะสมิาตาโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณิโชติระโสยทาสัะพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานศีลิสานิจจังวุธาปจา ยโนจัตารโธรมมวทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่กราบนมัสการค่ะวันนี้จากเฟ c บุ๊ o k 398 youtube สิบแทยหวิออนไลน์28ด รับฟังบนเขาสามสิบห้ารวมทั้งสิ้นหกร้อยหกสิบหกค่ะวันนี้ครบตองเลยนะนเล็นี้แปลกนะมันชอบอ ม, มีประมาณเท่านี้เกินคนหนึ่งบ้างขาดคนหนึ่งบ้างวันนี้ตรงเปงเลยใครอยากจะถามคำถามอะไรก็ช่วงนี้ถามได้นะ ถ้าไม่อยากถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ถ้ามันยังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยมีคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะหนูพ่อในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเกิดก่อนครับแนวทางต้องดับ แนวทางดับต้องเริ่มจากไหนก่อนครับอ๋อมันไม่สำคัญว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังนะ ร, รูปกับรูปนี้ก็เป็นส่วนของร่างกายรูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดอันนี้เป็นใจเป็นฝาแฝดความรู้สึกนึกคิดนี่แหละเป็นตัวสั่งรูปคือร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆ เช่นตอนนี้เราสั่งให้ร่างกายมาทําบุญทีนี้ตัวที่เราต้องคอยดูก็มีอยู่สองตัวตัวที่ก่อเหตุประกอบปัญหาก็คือตัวสัญญาความจําได้หมายรู้กับสังขารความคิดปรุงแต่งตอนนี้ความจําได้หมายรู้ของเราเป็นความจําผิดมองสิ่งที่ เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจึงต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ความจำได้หมยรู้ใหม่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเรานี่คือเราต้องมาคอย สอนใจเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยงร่างกายทำให้เราทุกข์เวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายอย่ามีร่างกายดีกว่าหรือถ้ามีก็อย่าไปยึดไปติดอย่าไปถือว่ามันเป็นของเราถือว่ามันไม่ได้เป็นของเราต้องยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราไม่ถือว่าเป็นของเรายอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องมาทำกันมาแก้สัญญาแก้สังขารพอเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเราก็จะได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้ถ้าไม่มีก็ไม่อยากได้ ถ้ามีก็ปล่อยวางเช่นร่างกายของเราเรามีเราก็จะปล่อยวางร่างกายของคนอื่น izing, เราก็จะไม่อยากมีเช่นไม่อยากจะมีลูก like มีลูกก็เดี๋ยวก็ต้องทุกข์เพราะเดี๋ยวลูกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีแฟนก็เหมือนกันมีอะไรก็เหมือนกันจะต้องทุกข์ก็เลยไม่มีความคิดก็จะเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนจากการอยากได้นู่นอยากได้นี่มาเป็นความอยากไม่อยากได้น่นไม่อยากได้นี่ อยากไม่มีอะไรเพราะการไม่มีอะไรนี้สบายกว่าการมีอะไรนี่คือวิธีปฏิบัติกับขันห้าให้มาเปลี่ยนสัญญากับสังขารขันใหม่ด้วยการอาศัยการฟังเทศฟังธรรมฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาสอนใจมาเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความจำใหม่เห็นอะไรก็อย่าไปว่าสุขต้องทุกข์ทันที เหอะไรจะคิดว่ามันเที่ยงก็ต้องหวังไม่เที่ยงเห็นอะไรจะคิดว่าเป็นของเรามันไม่เป็นของเราไปตลอดนมันเป็นของเราชั่วคราวมันจะไปเมื่อไหร่เราไม่รู้แล้วเราจะไม่ทุกข์ต่อไปอคําถามต่อไปจากเฟซบุ๊กคุณธีรวัตรเวลาไปฟังเทศของพระอาจารย์แล้วถวายของ เ, เขียนกระดาษไว้หน้าพระอาจารย์คืออะไรครับและที่ใส่ตะกร้าด้านข้างคืออะไรครับก็คือกระดาษไง <c oughs> กระดาษคือการถวายเงินทองให้กับพระนี่ถวายโดยตรงไม่ได้เงินทองต้องวางไว้เก็บไว้เดี๋ยวให้ลูกศิษย์เป็นคนดูแล ร, รักษาก็เลยต้องเขียน จำนวนเงินทองไว้ในกระดาษอีกทีให้พระได้รู้ว่าได้ถวายเงินทองเท่าไหร่เท่านั้นเอง <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณจิตดิฉันมีปัญหารบกวนพระอาจารย์ค่ะดิฉันได้อ่านในเฟซหนึ่งเขาบอกว่าการสวดมนต์ต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้าจิตใจมีความทุกข์ไม่ควรสวดมนต์ในเวลานั้นจะเป็นบาป ดิฉันสงสัยว่าเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเรามีทุกข์ไม่สวดมนต์แล้วจะให้เราไปทำสิ่งผิดผิดหรืออย่างไรไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกการสวดมนต์นี้เพื่อทำให้ใจเราบริสุทธิ์ทำใจให้เราหายทุกข์งั้นเวลาเราทุกข์เราต้องรีบสวดมนต์กันเพราะการสวดมนต์นี้เป็นเหมือนเอายาเข้ามารักษาโรคใจคือความทุกข์นั่นเองเป็นการกินยา คนที่บอกว่าจะสวดมนต์นี้ต้องจิตใจบริสุทธิ์นี้เป็นคนไม่รู้เรื่องพุทธไม่เข้าใจคำถามต่อไปจากคุณยายแก้วกราบเรียนถามในตอนที่จิตวุ่นวายเราใช้การนับพุทธโธหนึ่งพุทธโธสองจนจิตสงบแล้วเราไม่นับพุทธโท ขอโทษค่ะแล้วเราไม่นับภาวนาแค่พุทธโธพุทธโธได้ไหมเจ้าคะถ้าจิตสงบแล้วจิตไม่คิดก็หยุดพุทธโธก็ได้ถ้ามเหมือนรถรถถ้ามันยังวิ่งอยู่เราก็ต้องเหยียบเบรกเหยียบไปจนกว่ามันจะหยุดพอหยุดแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้แต่ถ้ามันเริ่มไหลอีกเราก็เหยียบใหม่พุทธโธก็เหมือนเบรกเบรก ค, ความคิด พอเราความคิดทำให้เราวุ่นวายใจเราหยุดมันได้มันหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจเราก็หยุดพุทโธได้แต่พอมันจะกลับไปคิดให้วุ่นวายก็หยุดมันใหม่ได้พุทโธใหม่คํา yeah. คำถามต่อไปจากคุณโรคยาไปโรงพยาบาลพบหนังสือไมเวอัตตะชีวประวัติของพระอาจารย์อยากอ่านมากเพราะเพิ่งได้มาสัมผัสธรรมะจากพระอาจารย์ไม่นาน ไม่ทราบว่าถ้าเราหยิบไปอ่านก่อนแล้วมาคืนโรงพยาบาลทีหลังจะบาบไหมคะหนังสือมันกองกองอยู่ฝุ่นคลักคลัในตู้ที่ดูไม่มีใครใส่ใจกลัวด้วยว่าหนังสือจะโดนปลวกกินปกติไม่ได้ไปที่โ ร, ง, รงพยาบาลเลยนานๆไปทีไม่สามารถไปอ่านที่โรงพยาบาลได้คะ่ะ ก็ถ้าจะเอาจากโรงพยาบาลก็ต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลเขาก่อนเราขอยืมไปอ่านแต่เดนี้ถ้ามีมือถือก็เข้าไปดาวน์โหลดอ่านได้จากในเว็บไซต์พระสุชาติ d com จะมีมีภาพภาษาอังกฤษแล้วเราก็เข้าไปตรงที่เขาบอกว่าหนังสือแล้วก็จะมีรายชื่อของหนังสือต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลด้ามาเก็บไว้ในมือถือได้ เราก็สามารถอ่านในมือถือเลยก็ได้หรือถ้ามีเครื่องคอมอยู่ที่บ้านก็สามารถเอาใส่เครื่องคอมหรือถ้ามีปรินเตอร์ก็พิมมันออกมาได้หรือถ้าอยากจะได้เป็นเล่มก็มาที่วัดก็ได้มาที่บนเขาเนี่ยมาที่บนเขาชิโอนเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสี่โมงของทุกวันถ้าอยากจะได้หนังสือเป็นภาษาอังกฤษก็ดีภาษาไทยก็ดีที่เรามีแจกก็ยินดีแจกให้ไป คำถามจากคุณบุรพาเวลานั่งสมาธิหันหน้าไปทิศตะวันตกเพราะโต๊ะหมู่บูชาหันหน้ามาทางทิศตะวันออกจะมีผลกับการนั่งสมาธิไหมขอรับไม่มีผลหรอกหันหน้าไปทางทิศไหนนั่งตรงไหนไม่มีผลผ ล, ผลอยู่ที่สติมีสติแล้วไม่มีสติไม่มีสติต่อให้นั่งอยู่ในหน้าหน้าพระพุทธรูปนั่งอยู่ข้างพระพุทธรูป เรื่องพระพุทธรูปมาตั้งบนตักมันก็ไม่มีผลใตอย่างใดผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิเกิดอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติเพียงอย่างเดียวถ้ามีสติก็สามารถทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีต่อให้นั่งตรงไหนอย่างไรท่าไหนก็ไม่สงบอยู่ดีจากคุณหญิงถามเรื่องการสร้างพระประธานในโบสถ์ค่ะ สร้างคนเดียวได้บุญเท่ากับสร้างร่วมกับผู้อื่นหรือไม่การบอกบุญโดยผ่าน facebook กับผู้อื่นโดยตรงควรจะทําแบบใดดีหรือบอกบุญกับผู้อื่นโดยตรงควรจะทําแบบใดดีกว่ากันและสามให้เช่าสําเร็จขอโทษค่ะไปเช่าสําเร็จกับสิ่งที่ทําได้บุญเท่ากันไหมคะคือเรื่องการ ทำทานไม่ว่าจะทําด้วยการสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารนีก็สามารถทําคนเดียวก็ได้ทําหลายคนก็ได้อยู่ที่กำลังของเราถ้าเรามีกำลังทําคนเดียวเราก็ทาของเราคนเดียวไปก็ได้ไม่ต้องไปบอกบุญใคร mm hmm. แต่ถ้าเราทาแล้วมีคนเขรู้ก็อยากจะมาขอร่วมบุญก็เราก็ควรจะเปิดโอกาส ให้เขาได้ร่วมบุญด้วยเพราะบางทีเขาไม่มีกําลังที่จะทําคนเดียวเขาต้องรอให้มีคนอื่นทําแล้วเขาจะได้มีส่วนร่วมถ้าเราเป็นคนที่ใจกว้างไม่หวงบุญเราก็ควรเปิดให้เขาได้ร่วมบุญอันนี้เราก็แต่การเรียลยเพื่อมาจ้างอะไรนี่ไม่ควรทําเพราะว่ามันเป็นเป็นหนึ่งเป็นการกทาที่ อาจจะลบกวนคนอื่นเขาคนอื่นเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะทําแล้วเราไปเรียลายจากเขาเขาอาจจะถูกบังคับให้ทําเพราะเขารู้จักกับเราเขาเกรงใจเราเขาจะไม่ได้ทําเขาจะไม่ได้บุญอย่างเต็มที่เขาจะไม่ได้บุญจากความเพิ่มปิติที่เขาได้ทำแต่เขาได้บุญจากการเสียสละแต่เสียสละแบบบังคับเลยถูกบังคับให้ทำยัง น, นอกจากว่าถ้าเรา ถ้าเขารู้แล้วเขามาขอร่วมอย่างนี้อันนี้ก็เรือเราจะบอกบุญแบบไม่ต้องไปบังคับเขาก็ได้คืออย่าไปส่งซองอะไรให้เพียงแต่อาจจะประกาศว่าจะไปสร้างพระพุทธรูปที่วัดนั้นวัดนี้อ่าทานนไม่ต้องบอกว่าใครอยากจะร่วมก็มาร่วมไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพูดเพียงแต่ความจริงที่ว่าว่าเราจะทำบุญแบบนี้เท่านั้นก็พอแล้วอยู่ที่ ถ้าคนเขารู้เขามีศรัทธาเขาอยากจะร่วมเขาก็จะขอร่วมเองแต่อย่าไปบอกขอเชิญมาร่วมทำบุญด้วยกันอย่า ง, งานู้อย่างนี้เราไม่ควรขออะไรจากใครทั้งนั้นบอกได้แต่อย่าขอเพราะการขอมันเป็นเหมือนเป็นการไปบังคับเขา อ, อันนี้ก็คือเรื่องของการทำบุญไม่ว่าจะทำ พ, พระประทานหรือโบสถ์เจดีย์ ถ้าเรามีกําลังทําของคนเดียวเราทําคนเดียวได้เราก็ทําไปอาจจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าจะไปทำบทุตททาเจดีคนอื่นอยากจะร่วมก็ให้ขอร่วมได้อย่าไปขออย่าไปขอชวนเชิญญาติพี่น้องมาช่วยกันทํามุ่นทนํานี่อันนี้มันไม่ใช่เป็นการบอกบุญอันนี้เป็นการขอเป็นการบังคับเขาแบบอ้อมอ้ อ, อ, อ, อ, อนี่คือวิธีทําบุญ ถ้าเราไม่มีกำลังทำคนเดียวเราก็ทำของที่เราทำได้ไม่ต้องสร้างโบสถ์ก็ได้ไม่ต้องสร้างเจดีย์ก็ได้เรามีกำลังน้อยเราก็ทำตามกำลังของเราถ้าสร้างกุฏิได้ก็สร้างไปถวายกุฏิไปคนเดียวอะไรทำคนเดียวมันดีกว่าเรื่องมันไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนี่ก็คือการทำบุญไม่ควรที่จะไปเลี่ยไร แต่ถ้าเขารู้เขาอยากจะร่วมก็ให้เขาร่วมได้น <Yeah. S 1> เพราะเขาอย่างนี้เขาทําด้วยความอยากทําจริงๆเขาจะได้บุญเต็มที่แต่ถ้าเขาทาเพราะเขาเกรงใจเราเราเคยมีบุญคุณกับเขาเคยช่วยงานเขาพอเขารู้ว่าเรามีงานเขาก็ต้องมาช่วยเรานี่เขาทําด้วยความเกรงใจมันจะไม่ได้บุญเหมือนกับทําด้วยความอยากทําะ อันนี้ถึงบอกว่าไม่ควรที่จะเรียลรายไม่ควรที่จะชวนเชิญใครแต่ประกาศบอกได้บอกข้าพเจ้าจะไปสร้างโบสถ์ที่วัดนั้นวัดนี้ <c oughs> จบแค่นี้ก็พอแล้วคําถามข้อที่สองที่สามก็มีอะไรบ้างการบอกบุญโดยผ่าน facebook กับบอกโดยตรงควรจะทําแบบใดดีกว่ากันอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะข้อสามไปเช่าสําเร็จ กับสั่ง ร, รมได้บุญเท่ากันไหมคะใบเช่ากับสั่งทำหมายถึงพระพุทธลูกน ะ, ะก็เหมือนกัน่ะบุญอยู่ที่การเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนของสิ่งที่เราเอามาเราเสียเราสั่งทาหมดไปแสนหนึ่งเราซื้อสําเร็จหมดไป9ก้มมา0มืนเอาสมมุติถ้ามันไม่เท่ากันมันก็บุญก็ไม่เท่ากัน ถ้าเราทำบุญเก้าหมืนกับทําบุญแสนหนึ่งทาบุญแสนมันก็ต้องได้บุญมากกว่าทาบุญเก้าหมื่นคำถามต่อไปจะคุณอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถสุนักป่วยเป็นโรคไตเจ้าค่ะหมอให้พาเขาไปให้น้ําเกลือบังคับกินน้ํากินยาทนเจ็บลูกก็อดสงสารเขาไม่ได้ไม่อยากให้เขาต้องทรมานแบบนี้ถ้าเราดูแลเขา โดยที่ไม่ต้องให้เขาต้องเจ็บปวดถ้าถึงเวลาของเขาแล้วเราก็คงไม่สามารถยื้อชีวิตได้ลูกคิดแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าการบังคับให้เขาทรมานนิดหน่อยเพื่อให้เขาหายถ้ามันทําให้เขาดีขึ้นก็มันก็คุ้มค่ากับการที่เขาจะต้องอทุกบ้าง แต่ถ้าเราไปกลัวเขาทุกข์โดยที่ไม่ไปรักษาเขาแล้วทําให้เขาตายไปเขามีโอกาสหายแต่เราไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ควรทําแต่ถ้าทําแล้วก็ตายเหมือนกันก็ไม่ต้องทําก็ได้ให้เขาทรมานก็ตายไม่ให้เขาไม่ทรมานก็ตายก็ไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องไปบงังคับไม่ต้องไปทรมานเขาแต่ถ้าเขาทุกข์ทรมาน แ, แล้วหายก็ควรจะให้เขาทุกข์ทรมานไป มันก็ต้องเจ็บบ้างรักษาผ่าตัดทำอะไรมันก็ต้องเจ็บมันก็เป็นธรรมดา <c oughs> แต่ถ้าทำแล้วมันหายมันก็คุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าเจ็บแต่ถ้าทำแล้วไม่หายก็อย่าไปทำคำถามต่อไป <c oughs> จะคุณเจย์ไวเฮ์ผมได้ติดตามเพจของพระอาจารย์มาหลายปีแล้วบางครั้งก็นำมาแชร์ลงในไทม์ไลน์ของตัวเองเพื่อเก็บไว้อ่านเอง ผมได้ตั้งค่าเป็นสาธารณะไว้เผื่อผู้อื่นได้ศึกษาด้วยปรากฏว่ามีบุคคลท่านหนึ่งมาคอยเม้น์เข้าไปดูประวัติแล้วท่านเป็นพระบงเล็บพระเล่นเฟ e บุ๊กด้วยท่านคอมเมนต์มาในอินบ x อว่าหลายโพสต์ในโพสต์มันถูกแต่บางจุดมันผิดก็มีนะยิ่งเกี่ยวกับฌานสมาบัติหรือภูมิธรรมอริยะ เจ้านั้นถ้าไม่รู้จริงก็ไม่ควรโพสลักษณะนี้เราไม่ควรไปตอบโต้กับพระรูปนี้ใช่ไหมครับและที่ว่าชานสมาบัติกับภูมิธรรมอริยเจ้านั้นคืออะไรครับอาก็คุณโพสไม่ใช่นะล้ามาถามอะไรก็ก็คุณโพสคุณไม่รู้คุณก็โพสไปถ้าคุณไม่รู้คุณก็อย่าไปโพสไม่ดีกว่าเลย ทำอะไรที่เราไม่รู้มันก็เดี๋ยวก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้นันก็คือใครเขาจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราอยู่ในโลกที่มีสรรเสริญมีนินทาเป็นธรรมดาบางทีเขาก็พอใจเขาก็สรรเสริญบางทีเขาไม่พอใจเขาก็ตาหนิหรือเขาอาจจะเป็นผู้รู้จริงก็ได้เขาอาจจะหวังดีก็ได้เขาเห็นว่าเราทำผิด เขาก็ตำหนิติเตียนตักเตือนก็ควรที่จะรับฟังไปถ้าเราผิดเราก็ควรที่จะแก้ไขถ้าเราไม่ผิดเราก็ทำของเราไปต่อไปนี่บางทีพวกเราทำอะไรแบบไม่รู้เรื่องกันโพสอะไรก็ไม่รู้โพสกันไปโพสกันมานี่พอผู้รู้เข้ามาเห็นเขาก็อาจจะว่าเก่าตักเตือนก็ได้ก็สาธุไปก็แล้วกันส่วนภูมิธรรม ภูมิชาเนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าจะให้อธิบายมันก็ยาวก็ถ้าอยากจะรู้ก็ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองคำถามต่อไปจะคุณไอซ์เบอรี่มีสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับประโยคที่ว่าให้ทาจิต ให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยให้กับตัวเองหรือสร้างบ้านในจิตให้ตัวเองหมายความว่าอย่างไรคะก็ตอนนี้จิตเราไม่มไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราจิตมันมีแต่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเราก็ต้องทำให้มันสงบพอมันสงบแน้วมันก็จะสบายมีความสุขเหมือนมีบ้านนั่นเองข้อที่สองช่วงนี้ หนูไปดูแลป้าที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดบ่อยครั้งที่หนูเห็นป้าหนูทำผิดศีลผิดกฎวัดหนูเตือนป้าหนูเตือนป้าป้าก็ไม่ฟังจนหนูรู้สึกหนุดหนิดใจเพราะกลัวป้าโดนไล่ออกจากวัดหนูนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนจะไปเจอป้าหนูแต่พอเจอป้าหนูทำผิดอีกสติหนูที่ฝึกมาจากการนั่งสมาธิหายไปหมดเลยค่ะ หนูควรทำอย่างไรเพื่อรักษาสติให้มั่นคงอยู่กับจิตตัวเองมากขึ้นคะเพราะหนูทำด้วยความอยากอย่าไปทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลถ้ารู้ว่าใครทำผิดถ้าบอกเขาได้ก็บอกพอเขารู้แล้วก็จบเขาจะทำตามที่เราบอกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเท่านั้นนี่เราอยากจะให้เขาหยุดพอเขาไม่หยุดเราก็วุ่นวายใจขึ้นมาเพราะทำด้วยความอยากให้เขาหยุด ซึ่งเราเไม่สามารถไปบังคับให้เขาหยุดได้เราเพียงแต่บอกให้เขารู้ได้เขาก็รู้ทําไมเขาไม่รู้เขาทําไมต้องมันรอให้เราบอกแล้วบอกเขาเขาอยู่วัดเขาก็รู้กฎของวัดเป็นอะไรเอ๊ะงั้นบางทีเราก็อาจจะทําเกินหน้าที่ของเราโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้อ่อนกว่าการที่จะไปสั่งสอนไปบอกผู้ใหญ่กว่านี่ไม่ควรนอกจากท่านถาม ว่าเราทำผิดหรือเปล่าอย่างนี้เราก็บอกได้แต่ถ้าท่านไม่ถามนี่ไม่เราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปสั่งไปสอนผู้หลักผู้ใหญ่กวอาเราได้คำถามจากคุณวิราวันการมีสติพร้อมแล้วที่จะนั่งสมาธิเพื่อที่จะเกิดปัญญาคำว่าปัญญาจะต้องนั่งสมาธิรู้ได้ลักษณะของปัญญาอย่างไรบ้างเจ้าคะออปัญญาเราต้องมาคิด ปัญญาเหมือนกับความรู้ความศึกษาเท่ารื่อเราเรียนตามโรงเรียนตอนต้นเราเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนปัญญาที่พระเจ้าสอนให้เรามีก็คือให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างจะทำให้เราทุกเวลามันที่มันจากเราไปมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง เราก็ต้องเอามาใช้กับของทุกอย่างที่เรามีอยู่คือต้องมองว่าเงินทองที่เรามีอยู่ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันจากกันไปตำแหน่งต่างๆก็เหมือนกันรางวัลต่างๆการสรรเสริญเยินยอต่างๆก็เหมือนกันความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะต้องมีการจากกันไป ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถืออย่าไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเรา <c oughs> นี่คือปัญญาต้องคิดคิดแล้วต้องเอาไปทำไม่ใช่คิดเฉยเฉยคิดแล้วว่าอ๋อมีเงินเป็นทุกข์ก็อย่าไปมีมันเลยอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินไปบวชเนี่ยไปบวชก็ไม่ต้องใช้เงินแลก็จะไม่ทุกข์กับเงินทองมีแฟนเป็นทุกข์ก็ไปบวช พอปบวชก็มีแฟนไม่ได้ก็ไม่ทุกกับแฟนอันนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างรู้แล้วต้องทำถ้ายังรู้แล้วยังอยู่แบบเดิมอยู่ก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญญาเป็นปัญญาก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์คำถามต่อไปไม่ประสงค์ออกนามแม่เสียนานแล้วจะนำอัฐิไปใส่กรอบห้อยคอได้ไหมคะ ได้จะทํายังไงก็ได้มันเป็นเรื่องของเราเป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งหลวงตามหาบัวท่านเอากระดูกอัฐิของโยมแม่ไปโปรยอยู่ที่โคนต้นโพท่านบอกเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้ทั้งนั้นท่านใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แม้แต่กระดูกอัฐิก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้เป็นปุ๋ย อยู่ที่คนต้นโพต้นโพนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ทำได้บางคนใช้ไม่เป็นก็ไปลอยทิ้งทะเลไปแล้วแต่คำถามจากคุณนัทพัฒน์หนูฟังทมตอนเช้าแล้วนั่งมองมือเห็นแล้วนั่งมองมือเห็นตัวเองมีแต่กระดูกจะเป็นอะไรไหมคะ ก็เป็นความจริงไงสิมีใครไม่มีกระดูกบ้างนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าไม่เคยเห็นมาเห็นก็ดีแล้วจะได้รู้จะได้หายโง่เหอนจะไปคิดว่าตัวเองมีแต่เนื้อมีแต่หนังอย่างเดียวมันมีอะไรเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นะมลทั้งของเราแล้วทั้งของคนอื่นถ้าเห็นของคนอื่นได้ยิ่งดีเห็นของแฟนเราได้ยิ่งดีจะได้เลิกกับแฟนได้ถ้าเห็นโครงกระดูกของแฟนก็อาจะไม่อยากจะมีแฟนก็ได้ ไม่มีแฟนก็จะได้ไม่ต้องทุกข์กับแฟน yeah. คำถามต่อไปจากคุณออสความจําเก่าที่ทำไม่ดีไว้จะระลึกได้บ้างครั้งจะทำให้รู้สึกไม่ดีเราจะแก้ยังไงครับก็ามาสอนเป็นบทเรียนว่าอย่าไปทำอีกเนี่ยทำแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจอ yeah. ย่างเป็นเอามาเป็นบทเรียนได้ถ้าคิดถึงมันถ้าคิดถึงมันแล้ว ยังทำให้ไม่สบายใจก็หยุดคิดถึงมันใช้พุทธโธพุทธโธไปคำถามจากคุณอ้อยฟ้าใสเงินที่ใส่บาทพระพุทธหลังสวดมนต์ตอนเย็นสะสมไว้เยอะแล้วนำมาติดยอดกระถินผ้าป่าได้ไหมคะและควรจะนำไปทำอะไรจึงจะเหมาะสมคะก็อยู่ที่เจตนารมของเราตอนที่เราเอาเงินเก็บนี้ไว้เราก็ต้องควรจะทาตามเจตนารม ถ้าเราบอกว่าเป็นเงินว่าเอาไปทําบุญเราก็ต้องเอาไปทําบุญอย่างเดียวจะทําบุญในรูปแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ไม่ควรเอาไปซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวเปลี่ยนใจใอยากจะได้กระเป๋าสักใบนึ่อยากจะได้มือถือเครื่องใหม่ก็เอาเงินทําบุญไปอย่างนี้ก็จะทําให้เราไม่ได้ทําบุญเอถ้าเรามีความตั้งใจว่าเงินที่เราเก็บไว้นี้จะเป็นเงินทําบุญอย่างเดียวเราก็ต้องเอาไปทําบุญเราถึงจะได้บุญครับ คำถามจากคุณวรนันท์อยากทราบว่าเรื่องการเล่นหุ้นโดยการมีอาจารย์สอนเล่นอย่างนี้ผิดศีลไหมคะก็เป็นวิชาชีพยอย่างหนึ่งการทำมาหากินซื้อขายของก็ต้องมีคนสอนคนที่เขารู้ในเรื่องราวต่างๆก็เรียนรู้จากเขาก็าไม่เสียหายตรงไหนตราบใดที่เราทําตามกฎกติกาของการซื้อการขายมันก็เป็นเหมือนสินค้ายอย่างหนง เหมือนรองเท้าเหมือนกระเป๋าจะซื้อกระเป๋ารุ่นไหนดีขายซื้อมาแล้วจะขายได้หรือเปล่าอาจจะต้องไปปรึกษาผู้รู้ว่าสมัยนี้เขานิยมกระเป๋าแบบไหนรองเท้าแบบไหนแล้วก็ซื้อของที่คนนิยมเราก็จะได้ขายได้หุ้นก็เหมือนกันเราซื้อก็ต้องรู้ว่าตัวไหนคนเขานิยมจะซื้อราคามันก็จะได้ขึ้นเราก็ซื้อหุ้นที่มันราคาขึ้นพอมันขึ้นเราก็ขายเราก็ได้กําไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการทํามาค้าขายตามปกติ ถ้าเราทำถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปไม่เสียหายตรงไหนถามจะคุณสุจิตตาใจลูกเป็นทุกข์มาหลายปีแล้วตอนนี้ลูกอยากสงบและหาที่พึ่งทางใจจนมาได้ฟังพระอาจารย์แล้วรู้สึกทำใจให้สงบทำให้ใจสงบแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ฟังใจก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีก ลูกกับมีความรู้สึกอยากไปทางธรรมมากแล้วแต่ก็ยังยึดติดกับหน้าที่ของแม่ลูกควรจะทำใจสงบตลอดเวลาได้อย่างไรเจ้าคะเวลาไม่ฟังธรรมก็ใช้พุโทโธพยายามบริกรรมพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเราทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเลื่อยเปื่อยคิดฟุง้งซ่านคิดเพ้อเจ้อคิดเพ่อฝัน ดึงกลับมาให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่แต่ถ้าเราจำเป็นต้องคิดเรื่องที่เป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่ต้องคิดเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลก็คิดได้พอไม่จำเป็นจะต้องคิดจะไปคิดเพ่อเจอ้อเพ่อฝันอยากให้ได้สิ่งนั้นอยากให้มีสิ่งนี้ก็ต้องหยุดมันใช้พุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจเราก็จะเบาจะเย็นจะสบาย ความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดที่คิดไปในทางความอยากนั่นเองถ้าเราหยุดความคิดที่คิดไปในทางความอยากได้ความทุกข์จะไม่เกิดคําถามจากคุณทูเควบีแฟมการที่เราสวดมนต์บทยาวที่ต้องใช้เวลาสวดนานเราสามารถทําสมาธิในระหว่างที่เราสวดได้ไหมเจ้าคะเพราะการสวดก็เป็นการทำสมาธิอยู่แล้วไง การสวดก็เพื่อที่ให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันแต่มันจะไม่สงบเต็มที่เหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกพะเวลาดูลมเราไม่ไม่คิดอะไรเลยเราดูเฉยๆแต่วเวลาสวดมนต์เรายังคิดอยู่กับบทสวดมนต์อยู่ใจยังต้องทางานอยู่แต่มันก็จะเบาวกว่าคิดไปในทางความอยากต่างๆคำถามจากคุณ every day พระอริยเจ้ามีสี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์คนที่จะบรรลุพระอรหันต้องผ่านแต่ละระดับเป็นชั้นๆไปหรือไม่คะหรือคนที่บรรลุโสดาบันสามารถฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุอรหันต์ได้เลยเอ๋อต้องผ่านเป็นชั้นๆไปเหมือนกับป็ญญาตีโทเอยมันต้องเป็นขั้นไป แต่อาจจะผ่านไปได้ภายในเวลากล้กันก็ได้บางมีเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีภาพรูปหนึ่งตอนที่ท่านกําลังโปรงผมอยู่ท่านก็พิจารณาธรทำไปพอท่านาลงมีดโกนครั้งที่แรกท่านก็บรรลุโสดาบันพอลงมีดโกนครั้งที่สองท่านก็บรรลุสกิดาคามีพอครั้งที่สามท่านก็บรรลุอนาคามีพอครั้งที่สี่ก็บรรลุเป็นผ้าอรหันได้ อันนี้ก็คือท่านรู้ว่าท่านต้องทำโจทย์อะไรมีข้อสอบอะไรต้องทำท่านก็พุ่งไปทำข้อสอบเหล่านั้นเลยท่านก็สามารถที่จะสามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่สาหรับบางคนไม่รู้ข้อสอบแต่ละข้อก็าอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรบ้างก็อาจจะต้องใช้เวลาเช่นเป็นโสดาบันแล้วขั้นต่อไปจะไปทำข้อสอบอะไรบางทีไม่รู้อย่างเงี้ยก็ต้องรอ ดูให้เกิดข้อสอบขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือข้อสอบอก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังทำเราจะรู้ข้อสอบต่างๆไว้โ่วงหน้านะพระพุทธเจ้าเอาข้อสอบมาให้เราเห็นแนะ้เราเพียงแต่ทําข้อสอบเหล่านี้ให้ได้เราก็สามารถตรรลุดได้อย่างรวดเร็วอืคําถามจากคุณ น, นกแอนน้อยพ่อป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เป็นอมพลึกครึ่งซี่กระทันหันทำให้ต้องออกจากงานมาดูแลและมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบได้ดูแลพ่ออยู่หกเดือนก่อนท่านจะจากเจ้าค่ะพอพ่อมีสติอยู่บ้างหลงลืมบ้างพ่อได้บอกว่าท่านไม่ให้เจาะคอเพื่อช่วยหายใจท่านกลัวพอถึงเวลาที่ท่านต้องจากไปจริงๆเราเป็นคนที่ต้องตัดสินใจบอกหมอว่า จะสอดท่อเพื่อรักษาต่อหรือไม่ตอนนั้นญาติๆก็รู้ว่าพ่อเคยสั่งไว้เลยตัดสินใจและไม่รักษาต่อและท่านก็จากไปภายในเวลาภายในสองวันตอนนั้นยังไม่รู้หรือได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าและเราต้องดูแลพ่อเพียงคนเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นบาปต่อพ่อหรือไม่ในการตัดสินใจครั้งนั้นเพราะตอนที่ท่านสั่งไว้ ไม่รู้ว่าท่านสติเป็นบริบูรณ์หรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะการไม่รักษานี่ไม่บาปหรอกเพราะการไม่รักษาก็เพียงแต่ปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่บาปถ้าเราเอาผ้าไปอุดจมูกท่านอย่างเงี้ยถึงจะบาปเพราะเป็นการกระทาที่เราไปยุติการหายใจของนั่นแต่ถ้าปล่อยให้ร่างกายมันไม่หายใจเองก็ไม่บาป เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าหมดเวลาพอดีพอแล้วมันหมดเวลาแล้วเอาไว้โอกาสหน้าพรุ่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ